นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสนะโมตัสสะะคะวโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนี่ยิตังสาธุโลภนังสัญญูกัตวเรชิตา ปุญญาลิปรโรคสิงหปฏิทาโหติปานินันติอิมัสสะธรรมะปริญาญาสสะอัตโทสาทายัาสะมันเตหีสกจังธรรมโอโสตโกตีนับจากนี้ไปนิธรรมภาพจะได้แสดงพัสสธรรมเทศนา เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้สดับรับฟังทั้งหลายได้เกิดสติปัญญาได้เป็นแสงแห่งธรรมะคือแสงแห่งปัญญากทิปัญญาสมาภาแสงสว่างทั้งหลายทั้งปวงเสมอด้วยแสงสว่าง แห่งปัญญาไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นสายแสงสว่างส่องทำให้ใจให้ใจรู้ให้ใจรู้ความเป็นจริงของธรรมะให้ใจเห็นธรรมะตามความเป็นจริงเรื่องด้วยท่านเจ้าภาพคุณแม่ลิลัย ผ่านแสนเสาผู้เป็นเจ้าภาพได้ฟารกเหตุในการกระทำบำเพ็ญกองการมหากุศลจะทาบุญกุศลทำบุญเพื่อุทิศส่วนกัณปนาผลให้แก่คุณพ่อกเกษมผ่านแสนเสาผู้เป็นสามีที่ รครับวายชนจากโรคนี้ไปแล้วไปสู่ปารโรข้างหน้าผู้ที่ยังมีสีวิ่อยู่จิงได้เราลึกถึงคุณองประการเราลึกถึงคุณความดีเรีย ว, ว่าเราลึกถึงบุญถึงคนของผู้เป็นสามี ที่จากไปผู้ทาคุณต่อพันรยอดพันรยาทคุณต่อบุตรธิดาคือทาคุณต่อญาติพี่น้องเมื่อร่วเราวายสนจากไปตามสภาพแห่งสัจธรรมคือความเป็นจริงของรูปร่างกายสังขารเมื่อมันมีการเกิดขึ้น ในเบื้องตน้นมันก็แก่มันก็แก่มันก็คํำค่ามันก็เก็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายก็ทรงความเป็นอยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องแยกย้ายกันไปแยกย้ายจากกันระหว่างธาตุรูปร่างกายของคนเราเนี่ยมันประชุมเพื่อธาตุีธาตุซีกับมี่ธาตุดินธ า, า, าตาุน้นำ ธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุห้าก็คือธาตุใจธาตุใจคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่แหละเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นเจ้าเป็นนายของรูปร่างกายรูปร่างกายมันเป็นดินเป็นน้ำนลมเป็นไฟประกอบกันอยู่เมื่อมันประกอบกันกับมีใจมา สัมปยุทธ์มายึดมาจับจองเป็นเจ้าของนอนเนื่องอยู่ในกายมานอนเนื่องอยู่ในกายนี่ถึงสั่งการให้ร่างกายนี่แหละทําไปตามกิเลสที่นี่มีกิเลสกิเลสคือความอยากกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมทาอยาก ยืนอยากเดินอยากนั่งอยากนอนอยากได้ทําการทํางานอยากกินอยากพูดอยากเที่ยวอยากหาความสุขสนุกสนานอะไรต่ออะไรอนี้เป็นหน้าที่ของสังขารสัญญาสังขารที่มันเป็นอาสวะเป็นกิเลสเป็นเหตุให้บังคับคจิตใจ ให้ใจที่เป็นเจ้านายของร่างกายนี่แหละบังคับร่างกายไปตามความอยากที่เกิดขึ้นเรียกว่าเลือคิดปรุงแต่งกระทำไปตามสังขารความปรุงแต่งนี่เรียกว่าเมื่อกิเลสรมีความอยากความหลงเกิดขึ้นหละก็เป็นเหตุให้ทํากรรม การทำกรรมก็คือการกระทำอากจะด่าเขาก็ไปด่าเนี่ยเรียกว่าทำกรรมไม่ดีไปฆ่าเขาโกรธเกลียดขึ้นมาไปฆ่าไปทุบไปตีเขานก็เรียกว่าทำกรรมเพราะความอยากเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ได้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็น ผลวิบากเป็นผลวิบากที่จะได้รับความทุกข์ได้รับโทษได้รับโทษเนกันกับคนไปทำสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่เป็นโทษทสิ่งที่เป็นโทษทางกายทางวาจาทางใจล่ะยัไนไมันเป็นโทษผิดกฎหมายบ้านเมืองไปทำมันถึนเป็นโทษ โทษน้อยโทษมากไปลักไปขโมยนิดนิดหน่อยก็เป็นโทษเบาไปฆ่าไปตีไปรักทรัพย์มากๆขึ้นไปก็เป็นคารุโทษเป็นโทษหนักโทษไปฆ่าเขาถึงตายก็ได้รับโทษถึงกับประหารชีวิตที่เพราะการไปกระทำ เพราะการอาศัยร่างกายนีย่ไปกระทำซึ่งผู้สั่งการออกมาจากใจและผู้สั่งการ้ายในใจก็เรียกว่าสังขารหรือเรียกว่ากิเลสอาาวสัตวความโกรธความโกรธเกิดขึ้นมาสั่งให้ไปฆ่าไปทำลายไปเผาบ้านเผาเมืองทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นผู้อื่นหรือฆ่าตัวของตัวเอง ก็ อ, ออกมาจากสังขารจากสัญญาจากกิเลสคือความอยากความหลงนั่นแหละเห็นว่าจะทำสิ่งเหล่านั้นไปแล้วมันจะสะสมใจมจะมีความสุขความสบายแท่แท้ที่จริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งเกินการเพิ่มความทุกข์มากขึ้นไปอีก นี่เกีย่ยวกิเลสอาสวะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมจิตใจเ ม, มื่อควบคุมจิตใจคือผู้สั่งการทํางกายทางวาจานั้นที่กล่าวแล้ว น, นั่นแหละเจึงเป็นเหตุหมุนกันอย่างท่านจึงว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมเมื่อทํากรรมแล้วก็มีวิบากท่านจึงว่ากิเลสสวัสด ธรรมวัดวิปากวัดที่วัตตะสงสารที่พวกเราได้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายกันอย่างนี้สิ่งเรา่านี้เป็นธรรมะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระเทพธรรมะวันนี้แท่เรื่องความเป็นจริงเกิดจริงแก่จริงเก็บไข้ได้ป่วยจริงสุดท้ายก็สิ้นลมหายใจ ก็ตายจริงๆเหมือนอย่างคุณพ่อกเกษมที่พวกเราก็เรียก ว, ว่าตายหรือว่าสิ้นชีวิตที่พร้อมพร้ธรรมะของจริงเป็นอย่างนี้ที <c oughs> นี่เมื่ออาศัยเหตุดังกล่าวนี่แหละผม <c oughs> เป็นธรญาคุณแม่วิไลจิงได้ ตั้งกองบุญกองการบุญสนขึ้นมาแล้ก็ประกอบจิตที่ให้เป็นบุญเป็นบุญสนแท้ๆเพราะว่าการกระทํานี่มันเป็นกิริยาถ้าหาว่าทําไม่ถูกทําไม่ถูกกับกิริยาให้เกิดบุญมันก็ไม่เป็นบุญเป็นเพียงแต่ว่าทําบุญทําบุญ จะทำบุญแล้วไม่รู้คําคำว่าทำบุญนั้นทำอย่างไงจะเป็นบุญเมือ่อผู้ทำเป็นนี่แหละทีนี้ตั้งกองบุญขึ้นมาแลแ้วมีการฟังเทศฟังธรรมะมีการบริจาคสินของวัตถุต่างๆเพื่อให้เป็น ทานเป็นกองบางสกุลเป็นกองมหาทานเพราะว่าทานประกอบด้วยวัตถุทานทานมีสองอย่างทานภายนอกทานประกอบด้วยวัตถุทานที่ไม่ประกอบด้วยวัตถุมีแต่เจตนามีแต่นามธรรม หรือมีแต่คุณธรรมเช่นความเสียสละความให้อภัยให้อภัยทานอันนั้นเรียกว่าทานที่ไม่ประกอบด้วยวัตถุเป็นการให้อภัยอย่างใครคนใดคนหนึ่งมาด่ามาว่าให้เราหรือมาทำรายเข้าของสมบัติของเราอย่างนี้ เราก็ให้อาภัยไปเราไม่เอาโทษเอากรรมเราไม่ให้เป็นโทษให้อาภายัยนั่นเลยว่าทานการให้อาภายัยไม่ประกอบ ด, ด้วยวัตถุทานประกอบ ด, ด้วยวัตถุประกอบ ด, ด้วยเจตนาประกอบ ด, ด้วยปฏิคาหกทานนามัย ผลสำเร็จด้วยการให้ทานทีหนึ่งก็มีวัตถุทานวัตถุทานนั่นก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์วัตถุทานไม่ได้ไปรับไปขโมยไม่ได้ไปที่สิ่งยิ่งเราของใครมาเป็นสิ่งที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเรียกว่ามีวัตถุ เต็ผ้าให้ผ้าเป็นทานให้ผ้าเป็นทานให้บินทบาทอาหารบินทบาทเป็นทานก็มีขา้าวน้ำโภชนะอาหารให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นทานเรียกว่าเสนาสนทานให้ยารักษาโรคเรียกว่าให้เพสัชทีระเพสัชยาสําหรับรักษาโรคภไข้เจ็บ ที่ต้องประกอบด้วยวัตถุจะให้ทานยาเราต้องมียารักษาโรคยาแก้ไข้แก้วัดแก่ออะไรต้องมีแด้ก่อนไปให้ทานทาบุญให้ทานไปสงเคราะห์ผู้เก็บผู้ป่วยเหมือนกันกับพระพากระพระพากระแต่ก่อนท่านเป็นฤาษี ให้ั้งพระพุทธเจ้าที่ปัญสีทีปังกอหลายองค์ผ่านมานู่นเป็นฤาษีมีพระวิสุทธรสามสิบรูปท่านไปเจริญภาวนาในป่าไม่ตะเคียนไม่แคนตะเคียนไม่แคนบ้านเฮาไปดู่ดูใบไม้มันีใบมันออกดอกก็พแพร่เอสรดอกตะเคียน เหมือนพวกเราเป็นวัดเป็นไ อ, อยเยอะๆนี่แหละ่ดูเปลี่ยนความเย็นความร้อนไม่สมองเสมอกันพอแพ่เกษรดอกกะเคียนพระสามสิบรูกก็เป็นวัดเป็นไข่ไม่เป็นอันได้เจริญเมตตาภาวนามีแต่รับทุกขเวทนาจากความเก็บความไข่ที่นี่ลือสีที่บำเพ็ญฌาน จเจริญฌานอยู่ในป่าใกล้ๆปุงยาี่ปุงยาสมุนไพรยากแก้การแท้อากาศแพ้เกสรด อ, อกไม้ไปถวายให้ก็สองสามสิบรูปท่านฉันเมื่อฉันแล้วก็หายไข้หายวัดหายไอได้เจริญเมตตาภาวนาสุขสบายจนยัง สติสมาธิยังฌานการเพ่งให้จิตสงบแน่วแน่เท่าปฐมฌาน ท, ทุติยฌานกติยฌานจตุตฌานอากาศนันจายตนะอาจินจัญญายตนะวิญญานันจายตนะเนวสัญนญนาณสัญญายตนะในองฌานที่อยากไปถึงละเอียด จนน้องไปในอาสะวขคย ญ, ญาติเจริญปัญญาที่เจรินาเห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามความเป็นกิน่งจึงทำความบริสุทธิ์ในจิตใจถอนอุปท า, านความเข้าไปยึดว่าร่างกายเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเข้าไปยึดจิตใจว่าเป็นเราเป็นของของเราเห็นเป็นเพียงสภาวะธรรมประชุมรวมลงสู่ อนัตตะระอะ่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนแล้วเรยว่าได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอระหันต์ทั้งสามสิบรูปที่ด้วยอานิสงสของลือีต่อมาท่านมาเกิดในพุทธันดรในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคโดมของเราเกิดเป็น ลูกของเศรษฐีเมืองโกสัมพีเกิดมาได้เจ็วันพวกสาวใช้เข้าไปอาบน้ำล้างบาปในแม่น้าคงคาปลาใหญ่าาก็มางกบกินตืนเข้าไปในท้องแทนด้วยบุญทัานนี้สงแหงบุญรักษาไม่ตายอยู่ในท้องปลาแต่ปลาเดือดร้อนปาร้อนปลาร้อน ท, อท้องเอาข้อนท้อง เสษร์กระสนปานไหว้น้่จากเมืองโกสัพพีตามลำน้ำคงคาขึ้นไปถึงเมืองพารณาณสีเป็นระยะทางตั้งหลายร้อยกิโลไปก็ไปถูกขายชาประมงเขาชาประมงเขาถูกขายชาวประมงเขาเอาขึ้นมาเลยปลาใหญ่ปลาเทโพใหญ่ ท้องปองเขาก็ขายตลาดเศรษฐีเมืองพระนสีเมืองีรูปไปซื้อปลาจะไปทำอาหารไปตาแหละค่อยๆตาแหละแวะท้องปลาออกก็เห็นเด็กร้องแว่แว่แว่ก็ดีใจว่าตนเองไม่มีลูกก็ได้ลูกในท้องปลาก็เอามาเลี้ยงไว้เอามาเลี้ยงขาวได้ยินไปถึง เศรษีต้นผู้คอดเมืองโกศัพีก็ตามมาทวงสุดท้ายก็าไม่ยอมกันพระราชาเมืองพารณาณสีจึงตัดสินให้เป็นลูกสองตระกูลสี่เดือนให้ตระกูลเมืองโกสัพีเลี้ยงสีเดือนให้ตระกูลเมืองพารณาณสีเลี้ยงเลี้ยงจนเจริญใหญ่โตมาก มีความสุขด้วยโพค้าสมบัติทั้งสองตระกูลเนี่ยพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีสองตระกูลอย่างบอกไม่ได้ทุกอย่างลําบากด้ยโพค้าสมบัติอยู่ในความเป็นลูกของเศรษฐีจนอายุร่วมเลยไปถึงแปดสิบปีร่วมเลยไปถึงแปดสิบปี ไม่ได้แต่งงานอายุ80ได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโคโดมคือความเลื่ยมใสเพราะนิสัยเดิมของท่านดีท่านเคยเจริญฌานเจริญอนาปานสติเคยเจริญวิปัสนาปัญญามาตั้งแต่ข้าวที่เป็นลือสีบกเพนพดบกเพนสี น, นูน ก็เลยสละความสุขทรัพสมบัติที่มีจากพ่อแม่สองตระกูลพ่อแม่ก็ตายไปหมดเลยเพราะท่านอายุยืนอายุแปดสิบปีได้ฟังเทศฟังธรรมเลยสละออกบวดพ่อบวชก็ปฏิบัติเจริญภาวนาเลยบรรลุธรรมสําเด็จพะระอรหันต สิ่งสงสัยสิ่งอุปทานความยึดความอยากทั้งหลายโรคโกนโลงไม่มีในดวงจิตดวงใจสบายไม่มีกา ม, มวิตกไม่มีโทสะวิตกโมหะวิตกอะไรทั้งหมดจิตใจปลอดโปร่งโรคไม่มีโรคไม่มีภยัยเกิดมาอายุแปดสิปีเพราะอา น, นิสงส์เลยให้ยาเป็นทาน ที่นี่ก็เป็นพระอยุดไปอีกแปดสิบปีรวมแล้วอายุร้อยหกสิบปีจึงนิพพานพระอระหรันตพาปุระมีอายุร้อยหกสิบปีเป็นฆราวาสญาติโยมอยู่แปดสิบปีบวชเป็นพระอีกแปดสิบปีอายุร้อยหกสิบปีจึงดับขันธิพานเข้าสู่ ปาทีเสศนิพานสิ้นการเยียว่าายเกิดการที่มาทุกมายากอีกต่อไปนี่เพราะอานิสงห์ให้ยาเป็นทานอานิาสง์ให้ผ้าเป็นทานเล่นนางอูบลวัร น, นาแต่ก่อนเป็นรูปสาวของชาวบ้าน พ่อแม่ไปเป็นหนี้เป็นสินเศรษฐีกู้หนี้ยืมสินมาแล้วไม่มีอะไรไปตอบแทนซดใช้เศรษฐีเทาก็ให้ลูกสาวไปเป็นคนรับใช้ลูกสาวไปเป็นคนใส่เศรษฐีไปเป็นคนรับใส่เศรษฐีอยู่สามปีได้พาคข้ามาสามว่าได้พาข้ามาสามว่า เดินมาจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่กรณีไปเห็นพระที่สู่สงฆ์ถูกโจรป้นเอาผ่าจะโบกขิว้อนมดจะเล่อเอาผ่านจะถวายเปเขาวสามว่าถวายเป็นหนมหรเป็นนมจะดีอง ด, ดีใจและอันนี้นสงบันผู้ให้พานี่มีผิวพันหน้ามต้อง เพืองเครื่องแตงทั้งหลายเคืองสำอางทั้งหลายเพราะอานิสงส์ให้พาเป็นทา่านน่หนาโมบนวัดนาเทลีคนจนสุดท้ายหน้าหลายพรเกิดทั้งพุทธเจ้าโคดมเฮาเนี่ยผู้ได้กาม้ได้ชอบผู้เห็นเล่ผู้ทายทั้งหลายก็สิลบล่าพาวั่นันด้วยความงามของ รูปโฉมของหน้ามือบนเพราะฉะนันวันนี้อวบวัดจะ น, นั่งฟิกซ์ดี้เี่นเที่ยนเ พ, พราะว่าหน้าสำเร็จเป็น พ, พระอรหันต์ไปสิ้นทุก์สิ้นยาติไปเทียอันนี้ส ง, งของการให้พาให้เข้าน้าโภชนะาหันก็เหมือนกันที่ว่าท่านการให้ต้องประกอบด้วยวัตถุอย่างนึงไม่ มัประกอบด้วยวัตถุเพื่อพยาทานเพื่อมีวัตถุท่านมีเจตนาที่จะเสียสละที่จะหายท่านแล้วก็ต้องมีผู้รับเรียกว่าปฏิฆาหกผู้รับท่านเป็นผู้มีศีลมีกัน ร, ะะนาร่ายนธรรมเรียก่าปฏิฆาหกหรือมีพระเจ้าพระสงฆ์ตดีเรียกว่า ผู้มีพระคุณบิดามานดาผู้ยาทายายผู้เท่าผู้แกเป็นผูหลับเครื่องทายาท่านนั่ น, นจริงสำเร็จเป็นท่านที่ชอบจึงจะยั่งประโยชน์คือความสุขให้เกิดและก็ผลต่อไปภูมีท่านการให้ยอมมีโภคสมบัติ อันนี้สรของการให้ท่านวัตถุท่านต่งตางๆวิโพคสสมบัติอันนี้สรของการให้ท่านยารัารกษาโลกวิโีภวิไอันนี้ทรของการเจริญเมตตาเราะวหน้าเป็นภูมิสติ ป, ปัญญาอันนี้ส์ของกล้องงดเว้นจากโทษเพราะขาเพราะทำไร่เบียดเบียนผู้คนเดือนใส่เดือนเป็นภูมิศีลเป็นภูมิวิโรภวภัย มีอายุยื้ยเงี้ยค้นท่าเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีรูปร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์บกขาดตกบกพร่องเพราะอย่างเพราะอาณิสงส์ศีลจิตวิมญโลกใหยเบียดเบี่ยนขนาดเกิดขึ้นมาแล้ว้วยกระซักซบรกระแซกบกขันวิญญาณสุขสบาย เงินพอเทกองเป็นผู้บวชมิศีลเป็นผู้เบียดเบียนทำโม่ทำไร่ทำโม่ทำได้ทัศนีเวียดัดเงินบุคข้อนเนมีโิโลมิภัยที่ทำผู้มิศีลเกิดมาจะมีร่างกายสมบูรณ์บกาขาดมิมิโลมิภัยก็มีการเจริญมเมตตาภาวนาให้สติปัญญาเป็นท่านกับเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ ดยสติปัญญาวิชาความรู้เลี่อนอันใดแก่รูปก็เข้าใจได้ดีนี่เพราะวิอาิสงของการให้สติปัญญาเป็นทา่านแล้วก็ตื่นมากเพราะอดเพราะอยากนี่ที่โยเทียสายเล่อนบชอบที่ท้ำโยทํากินข้พ้ออานิสงของการให้ท่านให้วัตถุท่าน ที่จะประกอบการย่างนี่ชีวิตเกิดมาแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพระจัย่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติกําลังสมบัติคือกำลังกายมันมีลมมันมีไผแล้กับปัญญาสมบัติความมีสติปัญญารักษาตนของตนเองให้ดำเนินไปในการทําความดีเรื่อยๆไป ในจึงถือเลยว่าชีวิตการเกิดมาได้กำไรที่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่มีชื่อว่าที่ความสุขสดชื่นเบิกบานในชีวิตที่เป็นโยเพราะอันี้ทรงแห่งบุญกุศลโดยการให้ทา่านทำท่าน<ม>อย่าทำ ท, ท่านที่ชอบที่ถูกต้อง จะดงดีกาวมากทำบุญที่ถูกต้องบุญเกิดเพราะเกิดของบุญให้ทำมาันกระบอกไยวาท่านศีลภาวนานี่การภาวนาเป็นการอบรมจิตใจของตนเองธรรมดาใจของเราก็ราไหนอบรมมันจะนดิกจะคิดอาการดินคิดอาการ จดจำต่างๆมันจะเกิดขึ้นแทรกแล้วไม่คิดไม่ใจท่าน้าว่านในภาวนาก็ปล่อยไปไมันลกมันคิดมันอย่างเลยรกัปล่อยไปตามเรื่องมัน ส, สิ่งที่อยากสิ่งที่นึกคิดไปก็เป็นดาที่ไม่ดีหมดเป็นการเบียดเบีย น, น ก, ก, กันนี่เป็นการทําได้สิ่งที่เิ็ที่เป็นโทษกันนี่ เพระฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุให้เกิดวิบากคือผลที่ไม่ดีตพอาการที่จะให้เกิดเป็นผลที่ดีก็จึงต้องไปให้ท่านที่ชอบรักษาศีลที่ชอบจะเลื่อภาวนาที่ชอบตีให้วันนี่ทาบุญเพื่อพุทธชวนบุญกุศลให้พุทธไปให้ผู้ที่ลวงรไว้ซยส้นไป ที่เราเลาไว้ซ่อนที่ตายแล้วเขาก็เห็ น, นแตงแต่ดินน้ำไปล่องมันแยกกันส่วนจิตใจนั่นไม่เป็นตัวตนเขาก็เห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่ว่าเขารู้ด้วยเจ้าของของเขากอยังเข้าพิสิบินอยู่ขนาดนี้เดียวนี่ใจนี่มันมีตัวมันมีตนแต่ว่าหากรู้ เทารูบอนเท่าหอนเท่ากระลูกเท่าหนาวเท่ากระลูกจิตใจของห้องสงบบ่คิดบ่กุ้งบ่ฟุ่มซ่านบ่ร่อนล้นเท่ากระพู่มี่เลยว่ารูดใจใจรูดใจของตนเองด้วยตนเองแต่ว่าบมี่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนร่างกายร่างกายเราเห็นมี่ขามี่มือมีเท้ามี่ หัวมีตัวตนแต่ใจเนี่ยที่เป็นผู้ที่ไม่ตายเมื่อแยกออกจากดินน้ำไฟร่มแล้วปลือเป็นธรม ร, ร, ธรมชาติรู้ธรรมชาติรู้วันนี่แหละถ้าหาว่าอาศัยความดีเป็นเครื่องหนุนก็ไปสู่สถานที่ดีทัติที่งามเห็นอ่าว่าประเตือนในสวรรค์สั่นต่างๆจนถึงพบมโล เป็นกินเป็นพมเป็นเทตุเทวาทั้งหลายอันนี้เข้าเพาเห็นด้วยตาเนื้อเข้าแต่ว่าเข้ารู้ด้วยเรื่องด้วยเล่าที่ได้ยินได้ฟังธรรมะหรือพุทธเจ้าเ่ยสอนไว้นับป่าปันดินเข้ารู้ได้และ ก, กะารโดยเฉพาะย่างยิงแต่เมารู้จะขลองรู้ที่ว่าเห้าร้อนเห้าเย็นเขา เข้าทุกบ่อเข้าอิ่มบอรือเขาหิวเดือดร้อนบุญไหว้จิตใจเข้ามู้ด้วยตัวของเข้าเองเพราะฉะนั้นบุญกุศลความดีทั้งหลายเนี่ยเป็นอาหารของใจหรือเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจที่ว่าบุ่นยาดิสตะรโลกระสมิง บุญเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยของจิตวิญญาณผู้ไปสู่ปรจจุบบุญเกิดจากตนเองทำไว้เมื่อมันมีหน่อยมันมัมีมากก็อาศัยผู้อื่นทำเลยกนะ็ผู้ที่ิ้งหายอธิษฐานหายก็ได้รับด้วยอนุโมทนาไม่ก็ยินดีด้วย สิเพราะท่นททานจึงได้ทำบุญอุทิตก็คือท้ำความดีนี่ละอุทิศเ่ราะมันท้ำบาปเพราะมนท้ำบาปอุทิศท้ำบุญอุทิศก็จะได้รับส่วนแห่งบุญ อ, อยญางนี้ปัลโลกัสเมิงอย่างผู้ที่ท้ำผู้ที่ระลึกถึงผู้ที่รลวงรับไหว้ส้นจากไปแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ผู้จัก ตกตัญญูกตเวทิตาธรรมรละลึกถึงความดีของผู้ที่ทมเกือโนุนที่ได้ช่วยเหลือเรามา่อก่อนเศรษฐิดามานดาหรือว่าสามีภรรยาหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายก็ตาม <c oughs> ทั้งหลายเราเน่ะนลงับไว้ซ่อนไปแล้วระลึกถึงบุญถึงคุณ นี่เรีเป็นพุทธคุณธรรมคือกัตัญญูกตตเวทิตาธรรมนี่ยุนยุนได้ดีวันอายุที่อื่นเรื่องธรรมะหรือเรื่องบุญกุศลร่วมขม่าอยู่กับกายว่าจ่าใจของห้องเจาริญท่นานแต่ละค้นคือการกระทําความดีทั้งกายทั้งว่าจ่าความเมตคิดทั้งคิตใจที่ดีนี่แหละ ร่วมคำว่ายุนีถ้ำมาทั้งหลายเพระได้ยุ่ในหีดในหนังสือในพระใตรปิฎกถ้ดดำอันนั้นเป็นตำรักตำราถ้ำมาแท้อยู่ที่การแต่ถ้ำถ้ำมากตันยูกระตวเวทีเกือร์ยุที่จิตใจของเฮา้ว่าผู้คุ้นของ ท, ท่านผู้ทำคุ้นกอนจะเรียกว่าเป็ น, ปนกตันยูเป็นบาปเป็นอกุศลไป นี่ผู้รู้จักคุณของท่านผู้ทำคุณกันมาทำบุญบุญส่วนก็มีวิธีหายทั้ที่เจ้าภาพในวิไลเลยกระทำอยู่นี่อันนี้เป็นการกระทั่มดำเนิ่นถูกต้องตามรับธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าที่เด็ดตันไวชอบเรื่องธรรมะคือศาสนาศาสนา หรือว่ า, าศาสนาธรรมคือธรรมะคำสอนที่ได้เรียกเฟ้นเอามาสอนเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องคือพราจะเจ้าสอนท่าน น, นั้นมีการให้ท่านการเสียสละการช่วยเหลือเพื่อจุนสึ่งกันแล่กันสอนองอนเวียนจากโทษการทำโทษมัน เป็นบาปมันเป็นความทุกข์ทั้งตัวเองและบุคคลผูอ้อื่นทีเ่เราเรียกว่าศีลเพระาะงดเล่นจะบาปทั้งกายกายกรรมสามบาปทั้งกายสามไม่ให้ไ่ให้ขาดไม่ให้เอากายเรข้าคนไปขาไปทุกไปตีทั้งไรชีวิตของบุคคล อ, อื่นเอื่นเพราะให้เอากายเราเข้าหนี้ไปรับไปขโมยไป แย่งสิ้นที่สิ้นวิ่งลเล่าเขาซับสมบัติของเงินก็ไป็นของตนโม่ให้เขากายของเขาเนี่ไป้าตกยึดพิษมิจฉาจา ร, า ร, า ร, รายา์ทั้งเป้เล่นี้ได้สามีภรรยาในบุคคลที่เขาเรียกอยู่หวงแหนนี่เรียกว่าเว้นบาปทาั้งกายสา ม, ยามอย่างเพราะฉนั้นจึงมีได้บทซินา เท่เาสมาทานจัดสมาทานสีนสมาทานสี น, สนก็จริงมันเป็นทำที่พระพุทธเจ้าบอกในเวทจากการทำบาปเพราะการคาการทำไร้ซีนเด็ดโตไปมันบาปเพราะว่าก่อนจะทำอย่างนั้นไดเขาเกิดจากความอมหิสเกิดจากความเนานนดือดดานลในจิตใจของเท่าเกิดจากความ โรที่มันครอมงั้มคิดใจของเฮาหรือเกิดจากความอยากที่มันเป็นิเล็เศร้าหมองพ่อมหูใจของเฮาจึงสามารถไปทุบไปข่าไปตีผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นได้ผู้ผู้อื่นที่ถูกข่าถูกตีถูกทุบ ถ, ถ, ถูกทำร้ายจะเป็นความทุกข์ในเราความทุกข์จากบาป ท, ที่เฮาหรือกระทํานั้นเมื่อกอนเว้นเสีย ก็เลยไม่มีบาปมีแต่ความสุขสบายผู้อื่นสัตว์อื่นจะสุขสบายตัวของเราคิดใจปลอดโปร่งมีเมตาตาจ่มีความเยียบเย็นสุขสบายให้คิดในใจนี่ละหมดเว่นจากการทับบาปเหน่ยการข่ า, าไม่รักไม่ถือเอาไม่คมแทง เ, เต็มเต็ม เ, เอาทรัพย์สมบัติของผู้อืน่นไม่บุกหลกเอาที ลายทีหน้าทีสวนของผู้ใดไปคดไปโกงเอาก็คือการเวิ่มจากการรับการขโมยตัวข้องเข้าคิดใจแต่ได้ใดคิดเทียมโหดผู้ใดคิดเศร้ามองดำขำผู้อื่นแต่ถูกผู้ใดก็เบียดเบียนนี่ความซุปนี่เป็นว่าความซุปเกิดขึ้นจากการที่ไม่ทำบาปหรยการรับการขโมย ที่นโลกนี่เกิดมาต้องนี่คู่ค้องเรียว่าโลกียะโลกียสุขความสุขที่ยอดเยี่ยมในโลกนี่อยู่แค่์โลกียสุขกันนั้นคือความยินดีอยู่กับความสวยความงามรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัณฑ์ที่นี่การที่ มีความซุบอยู่กับโรคทียซูเงเนี่ก็ต้องมีคู่ข้องของภัยของมันของไข้ของเราต้องมีข้อมตกลงปงใจเป็นคู่ข้องซึ่งกันและกันมเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จึงต้องอาศัยข้อมที่เป็นสิทิเซรี่ ในสมบัตินี่ก็เรียกว่าเป็นสมบัติเหมือนกันคู่ข้องพัรยาจะเป็นคู่ข้องของสามีสามีเป็นคู่ข้องเป็นสมบัติของพรนรยาเหมือนกันก็ว่าเป็นเงื่อ น, น, น, เ, ป น, เ, นเป็นทองเหมือนกันนั่นแหละเงินสมบัติได้ข้อข้องของเราเรามีแล้วว่มีผู้ใดมากช่วงมากเกินมากแย่ ม, มากสิ้น อำนาจไปจึ <sorry bowling critical touches> ิงททาให้ม <nosso S 2> <parc els S 1> ีความสุขความสบายเดียวมีความสุขโดยอิสระโดยสิทธิของตนเองถ้าหาว่าไปร่วมเกินผู้เป็นเจ้าของเดิมก็ต้องเกิดควาอโกรธเกิดคว่อเดียดดานเกิดคว่องปะทุสลายขึ้นมา ผูดที่ไปแย่งไปสิ่งไปล่วงเกินก็เป็นคิดใจที่เล้วไหลเป็นคิดใจที่เรารอดเป็นคิดใจที่เหี่ยมโหดเป็นคิดใจที่เป็นม่านถ้าเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายเมื่อมีธรรมะคุ่งค้อมเป็นบุญนีสศีลเวิ่มจกโทษดังที่กล่าวมายังค้อมยู่เย็นเป็นสุขของคิดใจต่าไร ดวงจะระดวงจ ะ, ะ่ะทานจะระคนมีความสุขความสบายเพราะความไม่มีโทษในเรื่อ ว, ว่าการให้รักษาศีลคือการให้เว้นจากการกระทํา ท, ที่เป็นโทษทั้งกายสามอย่างทั้งว่าจาซีไยันคำสว่าจีรำมีมโนกำสามทั้งว่าจา่าสํารวมระวังการพูดการกล่าว ซึ่งมันเป็นอิสระเสรีในการที่จะพูดจะกล่าวไดเมื่อผูใ้ใดเกิดมาสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอวัยวะนี่รียนนี่ปากนี่ประสาทที่จะพูดได้แปลเป็นเสียงครูปข้อหมายกันได้จะเป็นภาษาได้กันแล้วแต่ภาษาไทยภาษากีนอังกฤษรูปข้อหมายหรือสามารถพูดได้ในทับเสียงทับนี่ย่งนั้น นี่ก็ให้ให้เว้นในการพูดแล้วมันจะเกิดโทษแทนทีว่ว่าไม่ให้พูดคำหยากก้าวคํายาบก้าวคำหยาบจะเป็นภาษาได้ก็ตามเมื่อรูปข้อหมายกันแต่เป็นสิ่งที่ผู้ได้ยิ้มในฟังบอกพ่อใจไม่ใพูดคํายาบไม่พูดสอเสียยุย่ยงเสียแทนหาเรื่องหาเล่าให้เกิดความขยาใจยิดมเพรว่าให้พูด เออเจอเลี้ยวไหลไม่ปวดรอกลว่มเพื่อจะเอาซัพย์สมบัติของผู้อื่นหรือเพื่อว่เอาเพื่อเสียความรู้ซึกได้การเทปวดก้อมไม่จริงนั่นเรียกว่าวจีกรมซีไม่ปูดแทบไม่ปูดคําหยาบไม่ปูดสอเสียดยุ่งยุ่งไม่ปวดเออเจอเล้วไรลหาประโยชน์อะได้ เมื่อเล่นแล้วมันก็กบัฒนกรรมแล้วก็พูดดีท่านพูดดีจะเป็นการสร้างบุญสอนมิชาที่ดีสอนต้องรู้ให้เข้าใจที่ดีแล้วนี่คือเมื่อเล่นจากสิ่งที่ไม่ดีและไปําสิ่งที่ดีพูดจะสิ่งที่ดีดีนี่ยนําพองสอนยกเหตุผลให้เข้าใจได้สิ่งต่างๆ เรียกว่าเป็นความดีเรียกว่าเป็นบุญมโนโกรรมสามข้อมนึกข้อมคิดไม่ชิดใจเท่านึกคิดมาสิไปทำไรผู้ใดผู้หนึ่ ง, มนนงมเงมื่อเกิดข้อมโกรธขึ้นมาใจก็ไม่สบายเมื่อโกรธเขาเราก็รู้คือว่าร้อนจะนั่งนอนจะนั่งนอนเป็นทุกข์ไม่สุขสันข้อมโกรธเกิดขึ้นด้วย ใ, ใจเป็นไฟหาข้อมสุบอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับ เมื่อมันโกรธขึ้นมากมันก็เป็นพยาบาทการนึกคิดพยาบาทที่หาวิธีที่ทำไรนันก็เป็นโทษเป็นทุกข์<ม>แหละอย่างอีกนไปโลกเห็นของผู้อื่นเจอข้อมอยากข้อมโลภหาวิธีจะแก่งแย่งเอาแย่นี่แล้วก็ความรู้ข้อมเห็นก็ไปเห็นคิดเป็นสอบซะเห็นวระบาด บ, บ่ดีบุญบ่ีเห็นว่าโอ้ยทำบุญทำท่าน่ะบุนจะได้ยังหายท่านก็แด้แต่เสียเป ล, าล่าลหละสู่เราเอามาใส่อาซอยมากินเฉพาะเราหีื อ, อ่าได้ที่ถ้าข้อมเห็นทิ้งยางนี่เกิดขึ้นแล้วบุกคนนั้นเขาจะไม่มีการทำท่านไม่มีการรละสิ่งที่เป็นบาปิ่งที่เป็นโทษได้ ถ้าทำข้อมเห็นให้ชอบเห็นระบากนี่บุญนี่ดีนี่ชัวนี่สุขนี่ทุกข์นี่ตายเ่จิตใจมีพ่ตายเพราะมันเป็นสิ่งที่พ่ตายนี่ข้อมเห็นถูกเห็นชอบยังก็จะเรียตั้งนาตั้งตาทำพุทเงาข้อมดีต่างบุญกุศลเนี่ยเป็นอย่างนี้เรี่งข้อมเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนั่นกรรมทั้งจิตใจเนี่ยคือไม่พยาบาทไม่โลภไม่อยากได้หรือว่ามันอยา ก, กให้มันอยากยยมันเฉยๆม่นไปพยายามไม่ไปลักไม่ไปหาวิธีการที่จะเป็นคนไปนโกงเราแล้วก็ทำวามเห็นให้ตรงเห็นระบาด น, นี่บุญนี่ดีนี่สวยนี่นี่แหละเป็นการทำข้อสุจริต ทัเรื่องคิดใจที่พูดถึงเรื่องศีลที่ว่าการให้ก้อเว้นจากโทษที่เว่นจากบาปไม่รักไม่ฆ่าไม่ลักไม่กไมปกุิคิดในกลามไม่โกหกมดเทศจลองล่ว ง, ง, งไม่ดื่มกินเครื่องรองขอมเมาเพราะมันเป็นพิษเป็นพิเหมือนกั น, กนพราพอกินอาหารพิษเป็นพิษนั่น กินเขาไปแล้วมันก็ทำร่ายผัสสาทำร่ายก้อมจดก้อมจำก้อมหลุดซึกต่างๆแล้วมันยังหายเบ้นที่ท่านเบ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละเพียว่าเป็นภูมิม่บากแลก็ตั้งใจจะ เ, เลื่อนก้อมดีทำบุญกุศลให้ท่านรักษาศีลใจเริเ่นเมตตาภาวานาช่วยเหลือเกียรตจงซึงกันและกันไปอันนี้เลยว่าเป็นการเพ็บุญกุศล จริงแล้วนี่ที่ได้ทำบุญกุศลเพื่อวุทิศแก่วี่โรวงลับไปนี่เรียกว่าเป็นผู้มีกัตัญญูกัวเวทิตาธรรมเป็นคุณธรรมแา่คุณธรรมมันมนีได้คิดใจมันก็นยั่งความสุขความสบายในคิดใจเกิดขึ้นแล้วก็การที่ กรทําบุญกุศลผูลทิดให้แกผู้ที่รวลวงรำไหว้ซ่อนไปก็ปรเรียกว่ายิบยื่นสิ่งที่จะพึงได้พึงมีให้แกคิดใจผู้ที่รวลวงรำไหว้ซ่อนไปแล้วถ้าไปทำอย่างอื่นแต่ว่สามารถที่จะถึงกับคิดใจผู้ที่หลวงรำไหว้ซ่อนไป เหมือนกันครับพ่อแม่มาทับกุทารีมาทับคุณทารีเป็นลูกไส้ผู้เดียวของเศรษฐีคันลูกตายแล้วเศรษฐีพว้นี้าบุนทับท่านยังแบบคันลูตายแล้วแต่ลูกยั่งอยู่ก็บพวกให้ทับุนทัท่านแน่ยแต่ลูกเจ็บลูกป่วยกับพวกนี้ประจ่างหมอหยุดหมอยามารักษาเราัวว่าเงินท่องเยะ หมดจะสิ้นไปบรรลูกตายหละ่ะรับหากลูกหลา้คิดงลูกหลายเอาศพไปฝังไว้แต่งอาหารการกินที่มึเศร้าไปสม้มกองไว้หละก้นหลูงต้งโศมอิตะหมดก็แม่งมมอีนตะหมาจะจสัตว์ทั้งหลายท้านละกินส่วนกินวิญญาณมันเป็นของละเอียดแลมมีงจะไม่กินของห ย, ยาบๆยาทั้งสัตวก็ได้เหมือนกันกับคนเทา เท่าจะไปกินหญ้ากินเครื่องกินกอภัยกอผาคือสรางขึ้นม้วนขึ้นป้อยก็ได้เพราะมันต้องละเอียดมันตามตัดเนี่ยเรื่องจิตใจเลยแห่งอาหารท้องใจงมันต้องเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเกิดจเหตุที่ดีเอาไปส่งหรือส่งก็ได้อันต่อมาเลย ไปไซบาศ์ไปทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้นั่นจึงสําเร็จกับจิตวิญญาณที่ ม, มีตัวตนอันเดียว่าทําบุญกุศลอุทิศให้กิตาหาว่าเข้าใจว่ตถกต้องทำวัตถูกต้องนั่นก็พอเป็นผลประการอุทิศญกุศลให้แกจิตวิญญาณทําเหมือนยัง เรากระท่อมเนีพุทธเจ้าพระยาว่าภูมิยานิปาละโลกันสมิงเมื่อทำความดีเดียอกันในท่านต่างๆแล้วผู้พิส่วนบุญกุศลให้ก็จะสำเร็จแกจิตใจของผู้ที่ไปสู่ปัละโลใน <c oughs> วันนี้คุณแม่วิไลได้กระท่อมบุญกุศล วายท่านประเภทต่างๆวายพระตาอาหารแก่พระภิกษูสง์และการย่งต้องในถ้ำบุญโดยการตังเทศตั้งทำจึงธรรมะในน้ำมาอธิบายธรรมะก็มีตามรักคำสอนของพระพุทธเจ้ายัางที่ได้แสดงว่านี่มีธรรมอันใดที่นอกเหนือ ไปจากเรื่องของการทำกายให้ดีว่าจาให้ดีทำจิตใจให้มีศีลมีสมาธิมีสติให้เกิดปัญญาความรู้จริงเห็นจริงในสภาพว่าธรรมทั้งหลายนี่จะเป็นที่พึ่งของจิตใจของเขา้าย่างแท้จริงเพราะว่าสุขและทุกข์ทั้งหลายเนี่ย มันจะประสุ่มลงที่ใจเลยทีใจท่านั่นแหละเป็นมหาเหตุเป็นมหาฐานเป็นผู้ลำรูปเรื่องความสุขความทุ ก, ทกเรื่องบุญเรื่องบาปที่แม่เฮาจะปฏิเสธว่ามันบอกเป็นบาปเพรเป็นบาปตวาจริงของธรรมชาติรูปคือใจเขาก็จะรู้อยู่สิ่งที่เป็นบาปคือสิ่งที่ไม่ดีเนี <c> ่ย <oughs> เป็นอย่งนัเพราะฉะนั้นเมื่อทําแล้วมันประซุ่มลง่ง ที่ิที่ใจสมบัติภายนออเลี่ยนซ่านบ้านชอบเขาของเหือกสวนไรหน้าต่างๆนั่นก็เป็นวัตถุสำหรับเป็นเครื่องอาศัยเกี่ยวกับรูปร่างกายของเฮานี่เท่านั้นส่วนกับจิตใจที่ละเอียดก็คือมูลกุศลดังพิการมาลแล้วอะไรกสติ ปัญญาสรัทาต้องเพี้ยนในการสร้างคุณงามต้อมดีเพี้ยนรักษาศีลเพี้ยนเที่เริญภาวนหน้าตามปัญญาท่านปัญญาต้อมรู้จริงเห็นจริงให้เกิดขึ้นต้อมรู้จริงเห็นจริงเห็นจริงอย่างเห็นจริงได้ความเปรเทียบที่เรียกว่านิจจังเห็นจริงได้ความทนอยู่เป็นปกติไม่ได้ที่ท่านเรียกว่าทุกขัง ที่ร่างกายของขา้าวเกิดมากแล้วมันก็ต้องแก้ไปแก้ไปคือมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันแล้วก็สุดท้ายปัญหาป้อมเป็นตัวตนมันบีถ้าปัญญาของข้าวเข้าใจในสภาวะทั้งหลายลเรานี่ตามเด่นจริงแล้วจิตใจของข้าวจะสบายอ ย, ย่างว่าปัญญาสอนใจให้รู้ป้อมจริงใจจะสบายถ้าไม่มีปัญญารู้ มิจเมืดมิจนักมิตเโกรธมิตโรโลภมิจเรอดมิจเจเสียหกเสียใจเยอะทุกย่งเลยแหละนี่นพระฉนธรรท่ามาเมื่อพูดถึงบุญกุศลเลยท่ามาแหะก ร, ะร่วมข ม, วม้าเลยแก่แบบมาแปดพระพุทธเจ้าสอนมกแปดนี่อนุท่าดำเนินไปสู่บุญกุศลชูความดี มาแปดยิัยใสยุ่กายยุ่งว่าจา่ายุ่จิตใจของเฮามาแปดแยมกมาแปดหรือร่อรวมลงเป็นสามกมันเลยแก้กายว่าจจใจคุณธรรมในกายว่าจจใจกันเลยแก่ศีลสมาธิแทปญญ้ปัญญาเนี่ยปัญญาจะเป็นน้ามาถรำจะเมืม่อเป็นตัวเป็นตนตัวนี้แหละตัวปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์อันเสื้อ ศีเป็นทรัพย์เป็นประเสริฐที่วันยังว่าศีรัทะทนังจาคาทนังศีรัทะท่านปัญญาทนังำบานีพูดถึงถ้ำมะไพายในหรือว่าทรไพ่ในแฉแฉไายนอกที่ห้อมีมาห่าสแสวงหากระท่แทแำแล้วบบบำบัดบำรุงรักษากายของตนกายของลูกของหลานของญาติพีน่น้อง ร่วงคอาม่าล่ะเป็นซับที่แท้จริงเพียงเรียว่าซับผ้าย่ายผ้าย่ายมีเจ็ดยางเหลียว่าอริยศัพท์ศัพ์แท้สั พ, ท, พที่จะให้ความสุขต้องิดต้อใจของข้อจริงๆในแกศรัทธาธนั่งศรัทธาคือความเชื่อ<ม>เชื่อในธรรมะในเหตุในผลตามกวามเป็นจริง<ม>เชื่อในธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เรว่าเชื่อบุนเชื่อบาปพูดง่ายง่าทธาท่านั่งจ่าฆ่าท่านั่งป้องเสียสระ<ม>เรียกว่าท่านการหายศีระท่านั่งป้องงดเว้นแกโทษทั้งหลายทั้งกายว่ า, จาใจเรียกว่าศีระท่านั่งพระหูสัจจะท่านั่งป้อมเป็นผู้ได้ยิ้มในฟั่งธรรมะเหมือนอย่งางกูเข้าฟั่งยัย่งแล้วแจะเข้าใจนี่ปัญญาเกิด า ก, การในยิ้นในฟั่งไม่น้อยก็มากเนี่ยก็จะถอนกล่มสงสัยได้คิดใจได้เีาการไดในยินในฟังเป็นรับเป็นประเสริฐีกวูกสจจะจัฒนั่งิริทกลมละอายแก้ใจละอายต่อบาปละอายต่อโทษทั้งหลายผู้ดใดมิคิดใจที่มิทำมคือกลอมละอายเป็น ตัวกวบคุมรักษาคิดใจอยู่จะเป็นผู้งามได้ที่ถูกสถานได้การทุกเมื่อแต่คนมีความละอายจะเป็นคนอีเล่เกนั่งอูจักสูงจักต่ำองุจักขวนญโมวนนั่นคือผมมีความละอายอุตตปาทานั่งความเกงกลัวต้อโทษต้อบาปต้อกลับมีความเกงกลัวผมไม่สามารถที่จะทำค้องคิดทำโทษได แต่คนโมเกณโม ก, กัวจะทำโทษได้เมื่อทำแบบน้ก็บนีโทษได้เรียกว่าโอตระทานั่งเป็นทัพย์ทุยทายปัญญาทานั่งคือครอบรูเหตุรูผลรูกแก่ได้เหตุผลต่งางๆตามเป็นจริงอย่ากตเรื่องจากสิ่งที่เป็นโทษนั้นนั่นเว่ า, วารัพ์เกยตยามเลเป็นทรัพย์อันประเสริฐ เป็นอนุัสเป็นมิัสนอนเนื่องใน จ, ใจิตใจจะควบพุ่มรักษาใจของห้องให้เขาไปสู่สถานที่ดีคตีที่งามหรือนี่อานิสงส์ที่ให้เกิดความสุขความสบายมากๆขึ้นไปเรื่อยถ้าหาวขาดทรัพยลกรนี่แล้วบ่อำนวยประโยชน์แต่ประสบพบคว่ำทุกเพราะเป็นภูมิศักด์ แต่เข้าไปเข้าใจว่าซัพผ้าอนอออกเห็นอั้ด้วยสิ่งอั้ด้วยประโยชน์อันนั้นนั่นอั้ด้วยได้ทิ้ๆไดน้อยถ้าหาว่าเมือนมีซับผ้าได้แล้วหาความสูงที่แท้จริงก็ได้เหมือนยังบางคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากมากแต่ว่าเขายังต้องมีความสูงทั้งคิดใจคิดใจยังดิ้นล้นยังปอกยิงบุญรลอนล้นโย เนื่ยเพราะขาดสัพพายไนคือปัญญาดังจิงการมากเพราะฉะนั้ น, นเขาสรุปไนการสแสดงธรรมะวันนี่สแสดงไปไนธรรมะตามพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องท่าศีลเสียงบุญกุศลความดีนี่แหล ะ, ะว่า สิ่งสําคัญสิ่งที่จะรับบุญรับกุศลหรือที่จะทําบุญทำกุศลเพื่อร่างกายคิตใจของเราเราทุกท่านทุกคนมีกายมีใจผู้ที่ทําบุญจะมีกายมีใจมีค้อมคิดดีมีความเข้าใจดีจึงได้ปราบเพศจึงได้เป็นผู้มิ ค, มคมตัญญูคต เ, เวทิตาคุณแล้วจึงได้ประ ก, กอบ มูลกุศลคุณงามควอนดีดังทีกาา์มาผมเรากปไลยมาร่วมกันฟังธรรมะธรรมโมหรือว่าธรรมเทศนาพันาะนาอเนสงการากา ร, รักษาศีลกันกให้ท่านในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เมื่นยินได้ฟังแล้วจะนํำไปใครควนทำปัญญาให้เกยด้วย การในยิ้นในฟั่งเรียกว่าสุตะมายะปัญญาในยิ้นในฟั่งเรียกปฏิทึกตองไข้ขวนกินตนาการจะเรียกว่ากินตัะมายะปัญญากินตนาการยืดเรื่อยๆกําหนดยืดเรื่อยๆเท่นต่อไปหาจิตใจของตัวเ ร, เรื่อยๆจะเรียกว่าภาวนาจะเรียกว่าภาวนาประสมร่วมด้วยสติสมาธิและปัญญาของสู ใจคือตัวกูู้่หรือดวงผูรู่ลนี่เรียกู่จริงแท้จริงนี่ทำทังท้งหลายสภาว่าเกิดขึ้นทำอยู่ดับไปทั้งหลายมันปล่อยว่างวางจากใจเรียกว่ามดทุกทั้งหลายทั้งปวงนี่ได้ด้วยภาวนาเมยักปัญญาปัญญาสุดท้ายตัดความทุกข์ทั้งหลาย ใจที่เคยมีความถูกอยู่สิ้นสุดลงเคยมีความดิ้นรนบนุญไหวที่มีกรรมมีกรรมส่วนพบคุมอยู่สิ้นสุดเหลือแต่เป็นใจธรรมชาติใจอุเบกขาใจอุเบกขาใจที่เป็นธรรมชาติรูปกรรมการสุขบุทุกได้รด้วย อ, อ, อำนาจของบุญกุศลและอำนาจของปัญญา เมื่อจะยิน้นในฟ้องแล้วก็ให้เข้าใจว่ามี่ใจเป็นผู้ลูกขณะนี้เขาไม่หูเป็นคืนสัมผัสเสียงมิ่ใจเป็นผู้ลูกเนี่ยิน้นธรรมะอะไรกรู้ธรรมะอะไรแบบปลอยวาา่างธรรมะก็จะว่าสัพเพสังฆารอาอนิพจา ทางทานทางหลายมันเป็นมันไม่เที่ยมมันเคลื่อนไปเรื่อยๆสเปสังฆราชทุกขามันจะคล้องถูกอยู่ในตัวของมันจึงบอกเป็นปกติโดยท่ายสเพสธรรมานาตาติ ท, ทั้งท้งหลายไม่ควรยุดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเราจะเข้าถึงธรรมะอันแท้จริงได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้น ยินได้ฟังแล้ในกรมตนในโยกเรื่องข้อมกัตัญญูกับตะเวทิตาธรรมในโยกเรื่องอาหารของใจหรือบุญเป็นเครื่องหนุนน้าของใจไปสู่ความสุขในพันละโลกและก็ศีลคือการวนเวีนจากโทษเป็นการลักการทําบาปเวลาทําบาปเราจะทําแต่สิ่งที่ดีๆจะเรียกว่าเป็นการ ตรางบุญกุศลผลแห่งบุญกุศลเป็นกำไรของจิตของใจถ้จะประมวลเข้าสูวจิตใจของเราใจของเราเป็นผู้ทีได้รับความสุขผนจากความทุกข์ใหได้จิตใจทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดการกระทํางควาเพียของตนของตนเองนี่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว องโอปนายโกน้อมขไปสู่จิตใจยินดีในบุญกุศลยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล ะ, ะตั้งนานตั้งตางประพฤติปฏิบัติปล่อยภาสวนว้นภาวนารักษาศีลทำบุญกุศลไปเรื่อยรักษาศีลไปเรื่อยให้ท่านไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยเมื่อกำลังเต็มแห่งบุญเต็มแล ผม เ, เร่าไปจ้ะแต่รับความสุขความเจริญพุทธานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณประธรรมสังขานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณของปกรณีสมจงรวมประชุมเท่าเป็นพระรเป็นกำลังนุนนำให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องได้ประสบความสุขความเจริญ สมความมาาาาาุ่งมัปารธนาโดยจตุรทิศพรชัยปารธนาสิ่งใดเป็นประโยชอบก็ขอเพืยอทมแล้วขอจงเป็นผลสำเร็จขอจงเป็นผลสำเร็จมีความสุข ก, กายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อจงทุกท่านทุกคนเถิด